ก็ขอเกินนิดหนึงก่อนเนาะค่ะไม่งั้นมันจะลืมหลักจะลืมหลักว่าที่เราคุยธรรมะเนี่ยเราคุยเพื่ออะไรนะจำหลักแม่นๆเลยคือให้เห็นความจริงนะตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะว่ามันไม่ใช่เราค่ะไม่มีไม่มีผู้ยึดถือไม่มีเราเป็นผู้ยึดคือมันไม่มีเราอะมันจบลงตรงที่ว่ามันไม่มีเราคือเมื่อไม่มีเราแล้วผู้ยึดก็ไม่มีเนาะมีแต่สภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติ อ่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะซึ่งธรรมชาตินี่มันก็มี2ประเภทคือวิสังขารกับสังขาร น, นี่ถ้าเราแยกกันให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อุบายวิธีอะไรก็แล้วแต่อธิบายมาเยอะแยะทั้งหมดก็อะไรก็แล้วแต่คือให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีเรานี่คือเป้าหมายนะทีนี้อ่าทีนี้ขอยกตัวอย่างประกอบนิดนะเมื่อกี้เนี่ยที่ตรงนี้คือต้องการอยากจะ ชี้แนะชี้บอกชี้นำํำนะว่าสุนท ว, ว่าตอนแรกหลวงพ่อก็มาชวนคุยกันเรื่องเขาเรียกว่าแบบเรื่องโลกโลกเรื่องซูมใช่ไหมอ่าเรื่องซูมเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเราก็ศึกษาเรื่องซูมวิธีใช้งานทํำยังไงอะไรเลนะทีนี้ตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังมีความเข้าใจในเรื่องซูมเป็นอย่างดีสามารถใช้งานอย่างคล่องแคล่วอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เห็นถูกว่าไม่มีเรา ถูกไหม<ช>มันเป็นเรื่องแบบลกโลกแบบเรื่องลกโลกร้อยเปอร์เซ็น่ะไม่มีไม่มีเรื่องของธรรมะเลยถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเลยแต่เข้าใจว่าเออใช้ซูมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนะเาะตรงเนี้หลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องที่เราคุยเรื่องซูมเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นเรื่องของสิ่งสิ่งหนึ่งก็หมายความว่า เ, าเราเราเราเนี่ยเราตัวฉันตัวเธอเนี่ย กำลังคุยในเรื่องของซูมนะแต่ทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่ามัวแต่เข้าใจเรื่องของการใช้ซูมแต่ให้รู้ตัวเราผู้ผู้อะไรละ่ะก็ผู้คุยผู้พูดผูดดด้ทําความเข้าใจเรื่องซูมเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่ากลับมากลับมาเพื่อให้เห็นตัวเราให้เห็นเพื่ออะไระเพื่อหเห็นว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวก่อใช้คําว่าทั้งตัวเลยนะ ทั้งตัวเลยไม่มียกเว้นเลยที่เป็นขันห้าเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยโดยภาพรวมก็คือทั้งตัวทั้งตัวเนี้ยไม่ใช่เราอ่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันจะต้องการมันต้องเห็นเสียก่อนหรือว่ามันต้องรู้เสียก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องรู้เรื่องเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเป็นแก่นของธรรมะแต่ทีนี้ใหม่ๆ ใ, ใครก็ตามแหละเข้าใจไม่ได้เพราะพอบอกว่ารู้เราเห็นเรา มันก็จะมีเราอีกตัวหนึ่งที่มารู้ตัวเราตัวตัวที่ถูกเห็นแต่โดยธรรมะสัจธรรมแท้เนี่ยธรรมชาติที่รู้เราหรือว่าธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตรู้มันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปพันสันฐานไม่ปรากฏ ร, รูปลักษ์ใดๆทั้งหมดอ่าจะเรียกว่าเป็นความว่างก็ได้แต่มันมีความรู้ธรรมชาติอันเนี้ยเราสมมติชื่อมีหลายชื่อ นะจะเรียกว่าใจก็ได้ใจแท้เอใจจิตจิตเดิมก็ได้จิตเดิมแท้อ่ะหรือจะเรียกว่าเอธาตุรู้หรือจะเรียกว่าพุท ธ, ธะหรือ จ, ระจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ที่มีคุณนะสมบัติลักษณะ <c oughs> แบบเนี้ยแบบเนี้ย <c oughs> เพราะนั้นตรงเนี้ต้องเป็นให้เป็นจุดเข้าใจเสียก่อนก่อนที่เราจะคุยเรื่องอะไรซึ่งเป็นการขยายความขออนุโมทนาพระอาจารย์ออสก็ ย่อมน้อยเลยเนาะสาธุค่ะ็อะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้ยากเพียงแค่ขนาดเดียกเพียงเพียงแค่ฉับพลันเพราะจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีควมว่าเรารู้เรารู้หมดเลยแต่ก่อนอผมก็เป็นเหมือนดั่งอาจารย์ออสเป็นเหมือนทุกคนมีตัวเราประยุธ์ตัวรู้แล้วกอาตัวรู้ประยุติว่าเป็นเราอีกทีหนึ่งและยังไม่พออย่างแรกๆอ่ะ ก็ต้องละเวทนาก่อนก็นนคือสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยอาศัยความรู้สึกตัวเข้าไปรู้นแต่เมื่อใดเราเอาตัวรู้รู้สึกตัวว่าสิ่งที่รู้่มันเป็นเราจริงหรือเปล่าน่แต่ตอนนั้นมันมีตัวเราไปรู้ตลอดเวลาเนี่ยเรารู้เราว่างเรานิพานเราบรรลุเราไม่บรรลุทั้งคืนทั้งวันก็เราอยู่นั่นแหละ ม, มันไม่มีคาําว่า รู้กลับมารู้ภายในเราตอนนี้ว่าโดยย่อก็คือเรารู้คือมันไปหลงไปรู้รู้ว่ามีเราที่จะเข้าไปปรงแต่งกับสิ่งที่ถูกรู้ให้เป็นเรื่องราวสมมุติแล้วก็เป็นบัญญตัติแม้กระทั่งตัวรู้ก็ยังเป็นเป็นสมมุติบัญญัติในในการรู้โดยสมมุตินะ่ะแต่มันไม่รู้อย่างของแท้รู้อย่างบริสุทธิ์จริงๆ มันมีตัวอุปทานไปยึด ต, ตัวรู้นั่นแหละเพราะขาดความรู้สึกตัวมันเป็นตัวรู้แบบอุปทานตัวตนน ะ, นะแล้วครูบาอาจารย์ก็ใช้คำว่าวิปัสสนูนแต่มันไม่ใช่วิปัสนาะนะเพราะมีตัวมีตนไปยึดหรือว่าเขาเรียกว่าเรารู้อยู่แต่ถ้าสังเกตก็มีบางคน ล, ลูกสิษย์ผมบางคน เขาบอกว่าโอ้ยผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วผมรู้หมดแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็เลยถามแน่ใจนะมันรู้หมดแล้วอะถ้ารู้หมดแล้วแสดงว่ามันก็ว่างจากเราสิถ้าว่างจากเราแล้วถ้าว่างจริงๆมันต้องว่างจากคําว่าไม่มีเราภายในจนข้างในไม่มีเรายังหมดเปลือกหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องว่างจากเขาภายนอกด้วยคือว่างจากเราแล้วต้องว่างจากเขา แต่บอกว่าว่างจากเราเนี่ยมันก็ยังมีคำว่าเรารู้อย่งมันยังไม่ว่างเนี่ยบอกเรารู้หมดแต่มันยังไม่ว่างเนี่ยเพราะว่าเวลาอย่างเวลาอยู่วัดอย่างเนี้ยอาตมาไปอยู่ที่วัดมันก็เป็นที่สัปะยะที่ไม่มีใครที่จะมาบรบกวนเราเป็นสถานที่ที่สงบส ง, งัดแต่เนื่องตอนนั้นมันก็เพียงแค่ เห็นกิเลสตัวเองถ้าเราอยู่วัดไม่มีใครมาพุ่นวายแต่ด้วยเหตุปัจจัยแล้ววิบากผลของกรรมแต่เป็นกรรมฝ่ายดีนะโยมแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพระอาจารย์พลอยก็เลยมาเช่าบ้านอยู่กับโยมแม่ข้างนอกเนี่ยะก็ปรากฏว่าเอวลาคนอื่อคนอื่นนี่เขาไม่มีปัญหากับเราแต่คนมีปัญหากับเราคือคนใกล้ตัวก็คือ อต่อให้เราบวชพระ ห, หรือยงไงแต่ด้วยความเป็นวัยชราแล้วหลงลืมแล้วก็ธรรมดานะความคุ้นเคยเป็นแม่เป็นลูกกั น, นแน่นอนความเป็นอีโก้อย่างง่ายฉันก็เป็นแม่เนี่ยอืมนั่นแหละก็เลยเกิดเอ้าเรายังมีอารมณ์ตรงนี้อา้างแสดงว่าเรายังไม่ว่างเนี่ยเราอยู่วัดอยู่ว่าเราเพียงแค่เห็นกิเลสภายในของเราผัสษาภายในของเราอย่างเดียว แต่พอออกมาอยู่สัมผัสข้างนอกขึ้นเวทีของจริงเนี่ยปรากฏว่าอา้าวเรานี่เราเจอประสบการณ์ทางใหม่แล้วเนี่ยเราเห็นคนอื่นสร้างกิเลสให้กับเราเนี่ยอา้าวเรายังเรายังไม่ว่างอย่างท่องแท้นี่ก็มาพิจารณาใหม่อา้าวแสดงนี่เรายัางใช่ไม่ได้ยังใช่ไม่ได้ก็ต้องมาใช้กําลังสติความรู้สึกตัวมากกว่าอยู่ ภายในวัดถึงสองเท่าตัวต้องมีสติรู้กิเลสภายในก็คือตัวเราแล้วก็ให้รู้รู้ให้มีผัสสะข้างนอกด้วยรู้เขารู้เราเน่ยรู้เราต้องรู้สึกตัวทุกครั้งที่มื่อเกิดกิเลสในตัวตัวเองที่ตัวเองปรุงแต่งแล้วก็รู้สึกตัวทุกครั้งที่บุคคลภายนอกเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นถัดบุคคลตัวตนเขาสร้างกิเลสให้กับเราเพราะว่าอิงอาศัยของผลของวิบากกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อให้เราคิดว่าเราสะอาดแต่ข้างนอกตราบใดที่มีผลวิบากกรรมก็ย่อมมีผัสสะที่ไม่บริสุทธิ์ก็ย่อมทําให้เราไม่บริสุทธิ์ตัวนั้นอยู่ที่ว่าเราเรากัดจะตกหรือเปล่ามนก็ทําให้เรารู้ประตกกันเรอบอกว่าเราว่างแล้วแต่พอเรากลับเราว่างเฉพาะเราแต่เราไม่ว่างเฉพาะเราไม่ว่างเขาเนี่ยเขาเช่นอ่าเราบอกว่าเราว่างแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่พอ สามีเกิดอุบัติเหตุหรือลูกเป็นอะไรไปบ้านถูกไฟไหม้ก็จะมีจังละตัวเองได้แต่แต่ไปยึดตัวเขาข้างนอกอยู่น ะ, ะมีทุกข์อยูนะ่มันก็ผิดสังเกตละอ้าวแสดงว่าผิดพลาดแล้วผิดพลาดแล้วมันเป็นตัวที่รู้แต่มันรู้แบบมีมีตัวอัตตามีตัวตนแต่ถ้ากลับมารู้เราเนี่ยคือ ไม่มีเราอยู่จริงๆรู้ขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เพียงแค่หนึ่งขณะเดียวเนี่ยที่กำลังปรากฏ เ, าเกิดก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้มันก็ดับดับก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนีนะ้พูดก็ไม่ใช่เราพูดนะฟังก็ไม่ใช่เราฟังจริงๆแล้วเราอยู่ตรงไหนดังนั้นทั้งผู้รู้และสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง เป็นเพียงแค่ไมา ย, ยากลที่ที่มันหลงขึ้นมาปรูงแต่งขึ้นมาเองเพราะมันดับไปแล้วเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยสิ่งเนี้ยเห็นได้ยากนะมันก็ยิงถ้าเห็นเขาว่ารู้เราเนี่ยมันก็เพิ่เดียวเนี่ยจับพันเลยไม่ เ, เ, เยืดเยื้อนถ้าเรารู้ว่ามันเยื่ยดเยื้อเป็นเรื่องเป็นเล่านั่นแหละก็เรียกว่าเป็นอัตตานะเป็นตัวเป็นตนที่ที่ความเข้าใจก็คงเป็นลักษณะอย่างเนี้ยคณมัตสการ์อาจารย์ออนสาธุ ถูกค่อ้าวทีนี้เนาะพวกเราที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนี่เป็นการก็เรียกว่ามีการชี้บอกนะมีผู้ชี้มีผู้บอกแล้วทีนี้ขั้นที่เรียกว่าขั้นที่ให้เห็นตามความเป็นจริงตามที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเป็นขั้นปฏิบัติก็ได้นะโดยภาษาสมมุติอะปฏิปติเนี่ย อทีนี้ก็เดี๋ยวขอเพิ่มเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะก็เพราะว่าเพื่อให้เข้าใจที่จะรู้ว่าเอออะไรก็ไม่ใช่เราหลวงพ่อก็จะพูดในส่วนที่เป็นที่เรียกว่าเป็นสังขารก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีสองสองประเภทคือประเภทสังขารกับวิสังขารสังขารคือความปรุงแต่งวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่ง ทีนี้จะเอากันแบบพอเข้าใจได้ไม่ยากก็คือว่าคําว่าสังขารสังขารเนี่ยคือรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะอยู่นอกตัวเราหรือในตัวเราที่เป็นตัวเรานะจัดเป็นที่มันปรากฏที่มันปรากฏได้ที่มันเกิดขึ้นมาได้ปรากฏขึ้นให้รับรู้ได้ไม่ว่าจะรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ สิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นมีการปรากฏขึ้นนะสิ่งนี้เรียกว่าสังขาร น, นะแล้วลักษณะของสังขารคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องหายไปมีแล้วหมดไปอันนี้จับลักให้ได้ก่อนนะว่าคืออะไรก็ตามที่มันปรากฏให้รับรู้ได้ไม่ว่าทางอายตนะไหนก็ตามอันเนี้ยจัดเป็นสังขารทั้งหมดไม่มีการยกเว้นกรณีใดๆ นะส่วนวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏให้รับรู้ได้ทางอายตนะคือไม่อาจจะรับรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจนี่คือความแตกต่างของมันพอเรารู้จักสังขารแล้วตอนนี้วิธีปฏิบัติก็คือหัดรู้ หัดรู้ก็คือหัดระลึกได้คือหัดระลึกได้มันต้องมีเหตุปัจจนะัยเนาะทำให้เกิดสติมีการรับรู้ได้เราจะทําให้สติเกิดก็ไม่ได้สติเกิดได้มันต้องมีเหตุปัจจัยแต่ว่าก็ต้องทําเหตุทําเหตุขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดสติขึ้นมาก็คือเกิดการรับรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในปัจจุบัน mm hmm. อ่าเช่นเช่นตอนนี้นะเอากลยกตัวอย่างง่ายๆก่อน กำลังได้เยินกำลังได้ย็นหลว ง, งพ่อเขาจะชี้ให้เห็นว่าเสียงเสียงก็เป็นสังขารเพราะอะไรถึงเรียกว่าสังขารเพราะเสียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้ทางหูนะแล้วก็หูนี่ก็สิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ได้ทางอะไรล่ะหูเราเนี่ยเออจะเอาตาไปมองหูเออมันก็รู้ได้หูมันก็เป็นสังขารแล้วการรับรู้ การรับรู้นะที่ที่ได้ยินเสียงอะนะเพราะการรับรู้เนี่ยมันจะมีได้ต่อเมื่อมีเสียงกระทบกับหูก็เกิดการได้ยินการได้ยินก็มีการเกิดเราเข้าใจได้ใช่ไหมเมื่อไม่มีเสียงมันก็ไม่ได้ยินเขาเรียกว่าการได้ยินยังไม่เกิดพอมีเสียงกระทบหูการได้ยินก็เกิดขึ้นเสียงเกิดขึ้นการได้ยินก็เกิดขึ้นตรงเนี้ก็คือสังขารทั้งหมดก็คือหูก็เป็นสังขารการได้ยิน เสียงก็เป็นสังขารเสียงก็เป็นสังขารเห็นไหตรงเนี้ยเพื่อจะหลวงพ่อคงยกตัวอย่างไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมากมายมหาศาลนะเพียงแค่ให้เราจับทางได้ว่าอะไรก็ตามที่มันมีการปรากฏให้รับรู้ได้นะสิ่งนั้นจัดเป็นสังขารทั้งหมดสิ่งใดที่เป็นสังขารมันมีลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อ่าเป็นทุกข์คือเป็นทุกขัง และก็เป็นอนัตตาตรงอนัตตาเนี่ยจริงๆริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันก็คือสิ่งเดียวกันแต่มันมีเขาเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะต่างกันนิดนึงแต่จริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เห็นไห้เขาบอกว่าสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงอ่ะสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยทีนี้ที่หลวงพ่อเน้นมากที่สุดจริงๆอะมันเน้นทั้งอนิจจังเน้นทั้งทุกขังแต่ที่พูดมากที่สุดหลวงพ่อพูดถึงเรื่องอนัตตาคือสังขารอะทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันปรากฏอะมันไม่ใช่เราทีนี้โยมมองดูนะนักปฏิบัติในส่วนมากมักจะมองไปนอกตัวไง เข้าใจหมดแล้วอะไรที่อยู่นอกตัวเราเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอนี้มันง่ายอยู่แล้วมันง่ายมากๆเพราะอะไรมันเราเห็นหลวงพ่อต้องใช้ภาษาสมมติพูดไปด้วยเนาะคือสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ลืมตาได้แล้วเห็นหมูเห็นหมาเห็นมาบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่เห็นคนอื่นเห็นรถเห็นราเห็นบ้านเห็นช่องเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นมาตั้งแต่เด็กไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นสิ่งถูกเห็น ก็เลยเกิดปัญญาติดปีกติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดว่าไอ้นั้นแหละไม่ใช่เราที่มันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นมันไงมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วมันเป็นสิ่งถูกเห็นเราอะเป็นผู้เห็นเมื่อสิ่งถูกเห็นกับผู้เห็นมันเป็นธรรมะคนละประเภทกันอ่ะมันก็จึงไม่เป็นเราและมันก็ไม่ใช่ของเราเอออันนี้นี่พอเข้าใจนะหลวงพ่อจะอยากชี้ให้เห็นชัดๆก็คือว่าทําไมอ่ะเราเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวว่ามันไม่ใช่เรา ก็เพราะเราไปเห็นมันไงอ่านะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยไม่ต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเพราะมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราใช่ไหมชัดเจนอย่างโยมหนุย่ยหนุ่ยอย่างเงี้ยจะเป็นหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อไปเป็นโยมหนุย่ยหนุ่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อไปรู้ว่าโยมหนุย่ยหนุ่ยเป็นอีกคนนึงหลวงพ่อก็เป็นอีกคนนึงมันจะเป็นคนเดียวกันไม่ได้อ่ะใช่ไหม โอเคนะชัดเจนนะสังขารที่อยู่นอกตัวเรามันไม่ใช่เราอันเนี้ยหลวงพ่อพูดแค่เพียงยกตัวอย่างว่าเออมันเข้าใจง่ายเพราะว่ามันได้เห็นมาตั้งแต่เกิดแต่ทีนี้ไอ้ตัวเรานี่สิตัวเราเนี่ยทำไมเห็นว่ามันเป็นตัวเราล่ะเพราะเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเราไม่เคยรู้ตัวเราเราไม่เคยเห็นตัวเราเพราะมีแต่ตัวเราไปเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวทีนี้ถ้ารู้ตัวเราบ่อยๆเห็นตัวเราบ่อยๆอ่ะ ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นใช่ไหมพอตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นเมื่อมันแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าเป็นสิ่งถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะรู้เลยว่าสิ่งถูกเห็นน่ะมันก็เป็นแค่สังขารมันก็เป็นทุกขังเออมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันสิ่งถูกเห็นก็คือเมื่อเห็นเราเห็นอะไรเช่นว่าเห็นเราที่เดินอยู่อ่าถูกเห็นไปแล้ว เราที่ยืนอยู่มันก็เป็นอันนี้คือเป็นสังขารเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปหายไปสุดท้ายมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราที่เดินนะมันก็เริ่มค่อยๆชัดขึ้นว่าโอ้ไอ้ตัวนี้มันเดินได้โว้ยมันนั่งได้มันนอนได้เนาะเห็นมันอย่างเนี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ฉลาดเหมือนกับเห็นคนอื่นนั่นแหละเหมือนกับเห็นโยมหนุ่ยนยแหละโยมหนุ่ยนุไม่ใช่เราพอต่อมาก็เห็นตัวเองที่เดินที่นั่งที่นอนเห็นบ่อยๆเอ้ยไอ้ว่ โอ้ยมันนั่งได้วะมันนอนได้มันยืนได้มันวิ่งได้มันมันเต้นอิรเบิกได้โอ้ยทุกอย่างแล้วมันป่วยได้มันนอนได้สารพัดพอเห็นบ่อยๆปับ๊บมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าเออไอนี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นอ่าพอเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วเนี่ยทีนี้นี่หลวงพ่อค่อนข้างจะพูดรวบลัดนียพอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นไอ้นี้หมายถึงว่าเมื่อกี้เราส่วนหลวงพ่อที่พูดค่อนข้างจะออกมาทางร่างกายเนาะ ที่นี้เรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมะเนี่ยที่เป็นเวทนาที่อยู่ในร่างกายเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งถูกเห็นบ่อยๆมันก็จะเข้าใจได้เหมือนกันว่าอันนั้นก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์นึกคิดเริ่มรู้เริ่มเห็นก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้อันนั้นมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่เราหลวงพ่อเขจะรูดบมมเลยว่าถ้าเห็นร่างกายบ่อยๆบ่อยๆ มันก็จะแจ้งชัดขึ้นมาทุกทีเลยว่าเออไอ้นั้นก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกเรียกร่างกายก็ได้บอดี้ก็ได้อะไรก็ไม่ได้เรียกว่าไอ้ตัวนั้นเดินก็ได้นั่งก็ได้อันนั้นมันเป็นชื่อภาษาที่ไปใส่เข้าแต่ถ้าไม่ไม่ใส่ภาษานะมันก็จะรู้จะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เห็นอยู่เออมันก็เป็นสิ่งตูเนีแล้วก็ไม่ใช่เราอันนี้เท่ากับว่าเริ่มปล่อยวางเริ่มไม่เรียกว่าเริ่มเข้าใจถูกแล้วว่ามันไม่ใช่เรา แต่ทีนี้ทีนี้นะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติว่าเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดเห็นความรู้สึกแจ่มแจ้งหมดแล้วว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเห็นแจ่มแจ้งไงแต่ยังไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ไอ้ที่รู้นะไอ้ที่รู้ว่าที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยมันยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมยังเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นอยู่เราเป็นคนดูอยู่เราเป็นคนมองอยู่อะไรเนี่ย ทีเนี้ยมันต้องกลับมาดูมารู้ไอตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งผู้รู้เนี่ยดูไม่ยากหรอกเพราะว่ามันใช้วิธีเช็คแบบนี้เวลาเช็คผู้รู้นี่นะสมมติว่าสมมติว่าร่างกายมันเดินเห็นแล้วรู้แล้วว่าร่างกายมันเดินร่างกายไม่ใช่เราเห็นแล้วรู้แล้ววิธีเช็คผู้รู้เราต้องถามต้องคุยกันถามว่าเคยเห็นละว่าร่างกายมันเดินเคยเห็นละว่าร่างกายมันนั่ง ถ้าตอบกันอย่างซื่อตรงนะอ ย, อย่าเฉะไฉนะก็ต้องตอบว่าเราสิเป็นคนรู้ใครจะมารู้ละ่ะเวลาเดินคนเดียวเราก็รู้ว่าร่างกายมันเดินเราอะรู้ว่าร่างกายมันเดินอ่าแสดงว่าในขั้นเนี้ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่ทีเนี้ยทำยังไงที่จะให้เห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ตรงเนี้ยมันละเอียดมันยากเข้าไปอีกแต่ว่าถ้าจับทางได้สักครั้งหนึ่งว่า การรู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยคือรู้แบบเนี้ยแล้วมันก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันอ่าเห็นไหมตอนนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าสิ่งถูกรู้ก็รู้แจ้งชัดแล้วว่าไม่ใช่เรามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาและผู้รู้ที่เคยเข้าใจผิดว่าเรารู้ว่าเรารู้ บัตรนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เรียบร้อยแล้วมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันทีนี้พอพ้นไปจากผู้รู้แล้วอ่ะมันคืออะไรมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงนะพอพ้นจากผู้รู้ที่เป็นสังขารแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่มันมีแต่ความรู้ความรู้อะไรความรู้เราไงว่าเราก็ผู้ที่เป็นผู้รู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับของการรู้เนี่ยชั้นแรกมันจะมีเราเป็นผู้รู้ก่อนแต่เมื่อพบตัวเราที่เป็นผู้รู้แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาว่าตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขาร น, นะไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันแลวก็เป็นทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้แล้วเป็นอนัตตาเหมือนกันพอรู้จักตรงนี้เรียบร้อยแล้วว่าโอ้ผู้รู้นี่มันเป็นผู้รู้ตัวปลอมนี่ว่ามันรู้ไม่จริง ถ้ามันรู้จริงอ่ะมันต้องรู้ต้องไม่ตายดิไอ้ผู้รู้อ่ะแต่ทีนี้ผู้รู้มันยังเกิดดับมันยังเปลี่ยนแปลงเลยแล้วมันยังตายอยู่จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ไม่จริงอ้าวแล้วอะไรล่ะมารู้ผู้รู้ไม่จริงอะไรที่มารู้ผู้รู้ปลอมมันก็คือผู้รู้จริงไงแต่ผู้รู้จริงอ่ะมันอยู่เหนือผู้รู้ปลอมไปแล้วซึ่งมันไม่มีตัวตนมันเป็นความว่างความว่างที่มีความรู้เออแต่ขอสมมติชื่อกันแล้วกันว่าไอ ธรรมชาติที่รู้จริงอ่ะที่มารู้ธรรมชาติที่รู้ปลอมนะธรรมชาติที่รู้จริงอันนั้นเนี่ยหลวงพ่อตั้งชื่อเลยนะจะเรียกว่าจิตแท้แทจิต ด, ดั้งเดิมก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้เพราะเป็นจิตที่ไม่เกิดเป็นจิตที่ไม่ปรากฏเป็นจิตที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างหรือจะเรียกว่าใจก็ได้นะมันมีลักษณะเหมือนกันแต่คาสมมติไม่เป็นคาสมมติเฉย จะเรียกว่าธรรมธาตุคือธาตุเดิมธาตุรู้วิญญาณธาตุก็ได้จะเรียกพุทธะก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ที่เราเคยได้ยินอ่ะโดยเฉพาะแนวเซนอ่ะเขาจะใช้คําพวกนี้กันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเข้าใจตามลําดับที่หลวงพ่อเล่ามาอย่างเนี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องประดิษฐ์นะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะ ไปรู้ไปเห็นแล้วเข้าใจสิ่งนี้ได้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพบธรรมชาติรู้ธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้นี่แหละคนอื่นไม่มีใครพบหรอกไม่กระทั่งเ อ, อ่ออะไรละ่ะพวกพวกพราหมณ์พวกนักพรตนักบวชต่างๆที่เข้าฌานเข้าสมาบัติน่ะทั้งหลายอะ่ะยังไม่เคยรู้จักธาตุรู้เลยยังไม่รู้จักใจแท้เลยยังไม่รู้จักจิตเดิมรู้จักแต่ความว่างคือ อรูปรชาญแล้วก็นึกว่านิพานแต่หารู้ไม่ว่าชาญทั้งหมดอ่ะนะมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่รู้ชาญอ่ะที่ไปทําชาญอ่ะยังมีตัวเราเป็นผู้ไปทําชาญเป็นผู้นั่งชาญเป็นผู้ปิดตาชาญนะแล้วก็ตัวเราเป็นผู้รู้ชาญเห็นไหมยังมีตัวเราหมดเพราะยังไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้ไงพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงประเสริฐที่สุดไปพบผู้รู้ว่าผู้รู้ปลอมอ่ะมัน มันก็เป็นสังขารก็เลยเกิดปัญญาเข้าใจอีกอีกขั้นหนึ่งว่าอ๋อมีธรรมชาติที่รู้จริงรู้แจ้งรู้จริงๆ ร, รู้แล้วไม่พูดรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่อธิบายอะไรเลยรู้แล้วไม่บอกเลยว่ารู้อะไรนั่นแหละธรรมชาติสูงสุดตรงนั้นและเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายแต่มีความรู้ เ, ออเพราะฉนั้นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่มีความรู้อันนี้มันจึงไม่ใช่ขันห้ามันจึงไม่ใช่อายตนะภายนอกไม่ใช่อายตนะภายในและก็ไม่ใช่วิญญาณขันในขันห้าเพราะไอ้นู้นมันเป็นธาตุวิญญาณเนี่ยมันเกิดจากการผสมของธาตุมีหูมีตาแล้วก็กระทบ ก, กันจนเกิดวิญญาณเกิดดับแต่ธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุเพียวๆเป็นเฉพาะคุณสสมบัติของธาตุรู้คือ มันไม่เป็นดินไม่เป็นน้ำไม่เป็นไฟไม่เป็นลมไม่เป็นอากาศไม่เป็นอะไรหมดเลยเพราะมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวนะหลวงพ่อก็ชี้ทางให้มันชัดเจนแดงแจ๋อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ฟังแล้วก็ค้าพินาตามนะผู้ที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเห็นตามก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าใหม่ๆก็อาจจะงงๆนิดๆแต่ไม่เป็นไรพูดให้ฟังแล้วว่าที่สุดแห่งทุกเนี่ยก็คือ ธาตุรู้นั่นแหละคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่เป็นอะไรหมดเลยกิเลสตหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีที่มันมีอุปาทานก็พอ่ออวิชชาคื อ, อยังไปครอบงําครอบครบไปครอบจิตดั้งเดิมจิตเดิมแท้อยู่แต่ถ้ามีสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งแล้วอะไรก็ครอบไม่ได้แล้วอวิชาก็ครอบไม่ได้แล้วก็เลยมีแต่การรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วหลุดพ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรเราวนาะัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านแล้วก็หนุย้นยนะครับ คือได้ฟังหลวงพ่อเมื่อกี้ประเด็นแว็บขึ้นมาคิดว่าไอความเป็นเรานี่ครับไม่ใช่ความความเป็นเราหรือความไม่เป็นเรานี่ครับมันอยู่ที่ความเข้าใจถูกหรือปัญญาซึ่งปกติเนี่ยครับถ้าอยู่แบบนี้ดูภายดูภายนอกดูพฤติกรรมภายนอ ก, ด, นอกดูไม่รู้หรอกครับบอกว่าเออฉันไม่มีเราแล้วมันไม่ได้ครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาล้วนเลยครับว่า ความความที่จะเข้าใจถูกหรือความเข้าใจผิดหรือความหลงผิดนะครับมันเป็นเรื่องของความเข้าใจล้ว น, วนเพราะว่าก็มีแขนมีขามีมือมีเท้ามีทุกอย่างแต่ว่าความเข้าใจที่จะนําไปสู่ความไม่ใช่เรานี้ครับมันเป็นความละเอียดซึ่งถ้าไปคุยกับคนที่ไม่เคยได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลยก็ไม่เชื่ออดิดขาดว่าไม่มีเราเป็นไปไม่ได้เถียงหัวจนฝาแต่เมื่อมีความเข้าใจถูกว่ามันเป็นเรื่องของปัญญานี้ก็จะก็จะเห็นใหม่มีมุมมองใหม่ว่า เรื่องของความไม่ใช่เรานี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของการคิดไม่ใช่เรื่องของการตรึกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการท่องจําอะไรทั้งหมดทั้งมวล น, นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าที่หลวงพ่อพูดนี้ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราเนี่ที่เคยเป็นเรารู้ทุกอย่างเนี้ ส, สัมผัสนี้นะครับ Jeffrey? กลายเ <remind S 2> ป็นผู้ถูกรู้เมื่อไหรนี่ครับโดยมีโดยมีโดยมีธาตุรู้หรือว่าโดยมีธรรมชาติรู้ มาดูอีกทีหนึ่งอ่ะครับมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่อยากจะเสนอหรืออยากจะถามก็คือว่ามันคนใหม่ๆนี่เขาก็จะสงสัยว่าแล้วที่บอกว่าใจมารู้ตัวเราแล้วเราถูกรู้เนี่ยมีข้อสังเกตยังไงว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นเป็นใจมาดูหรือว่าใจมารู้แทนแล้วครับมันมีข้อสังเกตหรือพอจะบ่งบอกลักษณะได้ไหมว่ามันมีอาการเช่นไรครับที่ที่เรากลายเป็นผู้ถูกรู้เสียแล้วครับ ขอบพระคุณครับอ่าอหลวงพ่อพูดต่อเดียวกันเนาะจริงๆหลวงพ่อก็เหมือนกับพวกคนทั่วไปอ่ะไม่รู้อะไรเลยเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยนะรู้แต่อะไรนะก็เรียกว่าเออทําบุญบ้างให้ทานบ้างเนาะให้เงินทําบุญบ้างมาวัดเข้าเอออะไรเงี้ยแล้วก็รักษาศีลบ้าง นะก็มีศีนหน้าออค่อนข้างจะดีคือสีนหน้าเรื่องฆ่าสัตว์อะไรก็ไม่โหดร้ายทารุณฆ่าเท่าที่จําเป็นนะออสีนหน้ารักทรัพย์อะไรก็ไม่มีช่อโกงก็ไม่มีออพูดธเทศมันก็มีบ้างอนะแล้วก็อะไรนะเสพดืม่มก็มีมั่งนะแต่โดยรวมความรู้สึกของพ่อตอนนั้นหลวงพ่อตอนนั้นความรู้สึกว่า อ, อหลวงพ่อก็เป็นคนดีนะ เ, เห็นไหมเข้าข้างตัวก็ยังมีตัวหลวงพ่ออยู่เนาะหลวงพ่อเป็นคนดีนะ ไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นก็ถือว่าก็ดีดีพอใช้ได้แหละนะแล้วก็เมื่อดีอย่างนี้เราเห็นไม่ต้องปฏิบัติทําอะไรเลยเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเนี่ยตอนนี้มันยังมีทั้งตัวตนแล้วก็ยังไม่เคยเห็นทุกข์เพราะไม่รู้จักว่าทุกข์คืออะไรแต่พอใจในความเป็นอยู่ว่าเราก็เป็นคนใช้ได้แล้วแหละคนที่ชั่วที่แย่กว่าเรามันมีเยอะแต่เราก็เป็นคนดีในสังคมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ โลกโลกเนาะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะขั้นลึกซึ้งอะไรเลยนะทีนี้ถ้าไม่เรียนธรรมะขั้นภาวนาขั้นฝึกสตินะเกิดมาตายเปล่าก็คือแค่นั้นแหละและสุดท้ายก็ไปเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิน้นแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนนิสัยดีอะไรก็ดีค่อนข้างดีอยู่แต่มันยังมีทุกนี่สิที่หลวงพ่อเคยเล่าว่าหลวงพ่อทุกเพราะความคิดทํางานไม่เสร็จแล้วมันก็กลับมาคิดที่บ้านคิดทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับร่างกายก็เพรีย บันทรสุขภาพก็เลยหาทางออกว่าจะทำยังไงถึงให้มันพ้นไปจากสิ่งนี้ได้นะก็มีผู้แนะนำตั้งหมอหมอบอกให้ออกกำลังกายเยอะๆยังไม่ต้องกินยาออก็ไปทามาปรากฏว่าขนาดวิ่งเหนื่อยหอบลิ้นลากเหนื่อยเกือบตายก็ยังคิดอยู่นั่นแหละเอา้าก็ยังปรากฏว่าแก้ปัญหาไม่ได้อ่าแล้วก็คิดสนใจเรียนธรรมะว่าเออธรรมะเนี่ยที่เขาว่าธรรมะธรรมะมันคืออะไรมันเป็นยังไง แต่ตอนนั้นไม่มีพื้นฐานเลยว่าไอ้ธรรมะที่เขาเรียกว่าธรรมะที่มันที่เรียกว่าธรรมะที่ขั้นลึกอะที่ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลมันคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักสักนิดเดียวอแต่ทีนี้พอเริ่มเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เริ่มคิดเริ่มค้นเริ่มหาเริ่มฟังเริ่มถามผู้รู้เขาก็บอกว่าอ๋อดังนั้นก็คือเข้าหาธรรมะหลวงพ่อก็เออเข้าหาธรรมะแล้วจะเรียนจากใครดีตอนนั้นน่ะก็คือนึกได้ว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยออกรายการทางวิทยุ ทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่ยแหละจำไม่ได้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เอออย่างนั้นเราก็เรียนตามแนวคําสอนของอาจารย์พุทธทาสดีกว่าเพราะเราไม่รู้จักพระองค์อื่นเลยพระกรร ม, มฐานไม่เคยรู้จักทั้งหมดเลยคือมืดบอดแปดกอันไหนไม่รู้อะไรเลยอ่าแล้วทีนี้พอเริ่มเรียนปั๊บเริ่มอา่านหนังสือซื้อมาคู่มือมนุษย์มาอานาปัญสติ16ขั้นอ่อาอา่านอ่านไม่รู้เรื่องเลยคู่มือมนุษย์อา่านก็ไม่รู้เรื่องนะอืแล้วก็ทํา อนาปนาสติทำสิหขั้นอ่านก่อนอ่านอ่านอ่านอ่านจนหมดแล้วลองทำขั้นที่หนึ่งก่อนพอทำขั้นที่หนึ่งอะไรวะมันไม่ได้มันทาไม่ได้มันทำไม่ได้ตามที่หนังสือเขาว่าเนาะแล้วมันก็อึดอัดด้วยขณะที่ดูลมหายใจเนี่ยอึดอัดมากเลยมันไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ดูตอนที่ไม่ดูไม่รู้ลมหายใจเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอมาดูมารูเนี่ยโอ้ยมันหายใจอึดอัดครับขัดข้องไปหมดเลยก็เลยความรู้สึกวแบบ่า ปฏิบัติทำอะไรอย่างมันทุกข์หนักกว่าเก่าเนาะก็เลยสงสัยทีนี้พอดีมีญาติโยมก็คือพี่สาวของหลวงพ่อนี่แหละเขาก็ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมาก่อนแต่จริงพี่สาวของหลวงพ่อเนี่ปฏิบัติมาเยอะมากเลยแต่สุดท้ายโยมพี่สาวเนี่ยเริ่มมาเก็ตหรือว่าเข้าใจในแนวหลวงพ่อเทียนโยมพี่สาวก็บอกเอางี้ที่ทังนั้นมาฝึกสติรู้สึกตัวกับแนวหลวงพ่อเทียนคือโดยเฉพาะยกมือสิจังหวะเนาะ หลวงพ่อเขาก็สอนบอกลองทําแบบนี้แบบนี้นะลองทําดูแล้วหลวงพ่อก็ลองทําหลวงพ่อก็ทําแค่อึดใจเดียวแค่นั้นแหละรู้เลยว่าเอ้ยมันไม่คิดข้างนอกเลยมันไม่คิดเรื่องงานไม่คิดอะไรทั้งหมดเลยมันได้แต่รู้อยู่นั่นแหละรู้ตัวรู้ไกยที่มือที่เคลื่อนไหวเนาะเอแต่ตอนนั้นมันก็เป็นไปด้วยความเพ่งกําหนดรู้ทั้งนั้นแหละมีเจตนาแต่ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต่อมาก็ฝึกเนะ้วทั้งฝึก มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเรียนธรรมะของอาจารย์องค์อื่นฟังก็เรียกว่าฟังประกอบเรียนของอาจารย์สายวิปัสนาสายกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อมานึกได้ตอนนี้ว่าหลวงพ่อที่เรียนมาทั้งหมดอ่เป็นอาจารย์กรรมฐานชั้นเลือดทั้งหมดเลยนะไม่ต้องระบุชื่อก็ได้เพราะว่ามี ม, มีหลายท่านแล้วก็ตรงไหนที่มันโดนใจเนี่ยก็เอามาใช้อ่นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แต่มันก็เริ่มเกิดนอกจากมี ความพอใจในเรื่องที่มันทุกข์น้อยลงจากการไม่คิดแล้วนี่นะมันก็เริ่มต่อยอดในทางปัญญาเป็นว่าเออท่านสอนบอกว่าให้ mm. ให้เห็นเขาเรียกว่าให้เห็นสภาวะธรรมนะ mm. เห็นกายเห็นไม่คือมีสติรู้กายรู้ใจเห็นมันปรากฏมันมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตรงเนี้ยก็เลยเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจนะทีนี้หลวงพ่อรวบรัดตัดความกันแล้วกันว่าไอ้ที่เข้าใจเนี่ยโอเคเราเรียนมาเราเห็นแล้ว ความจริงของสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงนะร stress, ่างกายก็มีความไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตก็มีความไม่เที่ยงแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจอเป็นธรรมารมณ์มันก็ไม่เที่ยงรู้รจ<า>ักแล้วรู้จ<า>ักแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแม้กระทั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจรู้แล้วว่ามันก็ไม่เที่ยงต่อให้มีความสุขขนาดไหนรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงต่อให้มันว่างสบายบ้องโล่งโปร่งเบาแค่ไหนก็รู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนคือรู้จักแล้วเน แต่นี่นี่ตรงนี้สําคัญหลวงพ่อไปติดแต่ที่เป็นผู้รู้นานมากคือรู้หมดแล้วคือเรารู้อโยมคือหมายความว่าเราอ่ะรู้แล้วคนใหม่ๆหม่เขายังไม่รู้หรอกแต่เรารู้แล้วเห็นไหมตรงเนี้มันยังมีเราเป็นผู้รู้จนกระทั่งพบอาจารย์ดีอาจารย์เนี่ยที่ท่านรู้จริงเงี้ท่านเราก็ฟังท่านมีคําหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านบอกว่าการเห็นในี่พูท่านพูดถึงเรื่องเห็นนะ ท่านบอกเห็นเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นน่ะมันเป็นแค่สิ่งถูกเห็นนะแต่ผู้เห็นไม่มีเอาล่ะตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญมากเลยสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันมีแต่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าให้ดูนาฬิกาที่ที่ผนังอ่าที่แขวนอยู่ในบ้านเราอ่ะในห้องเราอ่ะที่มันแขวนอยู่แล้วก็เป็นนาฬิกาแขวนเนาะมันก็มีลูกตุม่มลูกตุ้ม เวียงไปเวี่ยงมาเวียงไปเหวียงมาท่านบอกเห็นไหมล่ะมันก็มีแค่สิ่งถูกรู้แต่ผู้เห็นน่ะเออมันมีแค่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีหลวงพ่อก็ลองไปดูอย่างที่อาจารย์เขาบอกไปยืนดูนาฬิกาเลยแต่ว่านาฬิกาที่หลวงพ่อดูมันไม่มีมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาที่ที่มีลูกตุ้มเนาะเป็นนาฬิกาทั่วไปเนี่ยแต่ก็ไปยืนดูยืนดูเห็นเข็มมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปดูแต่นาฬิกาเนี่ยไม่ต้องดูอะไรหรอกดูดูดูดูดด กอนแรกก็ดูไปมันก็ยังเถียงในใจบอกโอ๊ยอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นก็ไม่มีผู้เห็นัะไงก็ผมทั้งตัวเนี่ยยืนเห็นอยู่เนี่ยทั้งเป็นผู้เห็นทั้งเป็นผู้มองทั้งเป็นผู้ยืนได้ไหมหลวงพ่อเองนี่แหละเป็นผู้ผู้เห็นพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วโอ๊ยคําตอบมันยังไม่ได้หรอกแต่หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าอยากจะพิสูจน์เหมือนกันที่ท่านบอกว่าไม่มีผู้เห็นนะมันคืออะไรทีนี้หลวงพ่อก็ เพ่งเลยทีเนี่ยยืนเพ่งเลยยืนเพ่งยืนเพ่งเหมือนกับสั ก, สกครู่สักพักหนึ่งเนาะแล้วอยู่อยู่มันเกิดปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีผู้เห็นเรานะเนี่ยเรายืนอยู่ข้างหน้านาฬิกาเนี่ยนาฬิกาก็เป็นสิ่งถูกเห็นก็ถูกต้องแล้วแล้วไอ้ตัวเราที่ยืนดูนาฬิกาอยู่เนี่ยโถ มันมันก hmm ็ม <okay. S 1> mm. uh ีธรรมชาติอันหนึ่งที่มาเห็นเราไงเห็นว่าเรายืนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้มองนาฬิกาเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเป็นผู้เห็นนาฬิกากลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ดูไม่ใช่ผู้เห็นแล้วแต่ตัวเราเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งถูกดูเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วเลยเข้าใจอย่างชนิดที่แบบมันเป็นความรู้ใหม่อ่ะที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไอในธรรมชาตินี้มันมีธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติเห็นเนาะที่รู้ตัวเราได้ พอเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อจับทางได้เลยว่าไอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เนี่ยมันคืออะไรก็เลยมาเทียบเคียงว่าอะไรคือทุกข์เหมือนที่หลวงพ่ออธิบายตอนต้ น, นอะทุกข์คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นที่ปรากฏร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจิตใจกําลังพูดกําลังนึกกําลังยืนเนี่ยกําลังมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันปรากฏให้รับรู้ได้เนี่ยไอเนี้ยเรียกว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตน แต่ไอ้ธรรมชาติที่มาเห็นเราอ่ะไอ้นั้นแหละมันไม่ปรากฏมันเป็นความไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้อย่างไรใช่ไหมก็เลยว่าอ๋อไอ้ที่รู้เราไอ้ที่เห็นเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏการเกิดพอเป็นอย่างนี้รู้จักเลยว่าไอ้ไอ้ธรรมชาติอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่มันพ้นไปจากทุกขเพราะ <ourd. S 1> ตัวเราค <refreshing S 2> ือตัวทุกข แต่ไอธรรมชาติเห็นตัวเราอ่ะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีตัวจะทุกข์มันไม่มีอะไรจะทุกข์เพราะมันเป็นความว่างมันทุกข์ไม่ได้และก็มันพ้นไปจากตัวเราคือตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไอตัวนั้นเลยก็เห็นทุกข์เพราะตัวเราเป็นตัวทุกข์ใช่ไมตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายมันเห็นเราเป็นตัวทุกข์แต่มัน่ะมันไม่ได้เป็นตัวทุกข์แต่มันเห็นอย่างแจ่มแจ้ง ก็เลยเข้าใจเลยว่านี่แหละการปฏิบัติธรรมถึงที่สุดแห่งทุกคือต้องรู้จักต้องพบธรรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นท้งนี้แหละแล้วถึงจะพ้นทุกขได้จริงเพราะฉนั้นการพ้นทุกคือไม่ใช่เราพ้นทุกเพราะเราตัวเราเป็นตัวทุกอยู่แล้วมันพ้นไปไหนได้หรอแต่การพ้นเนี่ยคือมีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งไม่เคยทุกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไม่คือมันไม่มีปรากฏตัวใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่เคยทุกไม่เคยสุขเป็นอนันตา ก, การมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ไม่มีใครพบเห็นมีแต่พระพุทธเจ้าไปพบเห็นแล้วบังเอิญเราเนี่ยที่ใช้พรโทศาจ ม, มุตลวกนะเออก็พบเห็นได้แล้วว่าไอ้ธรรมชาติที่ไม่ทุกเนี่ยคือธรรมชาติอันนั้นแหละทีเนี้ยที่ถามกันว่ามันต่างกันยังไงมันจะพิสูจน์ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยที่หลวงพ่อเล่ามามันต่างกันสิต่างกันตรงที่ว่าแต่เดิมอะเราไม่เห็นตัวทุกข์เพราะเราเข้าไปเป็นตัวทุกเสียเองเราเป็นทุกเสียเองแต่พออยู่ๆมันเกิดมีสภาพ มันมีธรรมะมีธรรมชาติดั้งเดิมธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยนะทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยก็เลยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าอันนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันรู้ตัวเราพอหลวงพ่อจับทางได้ตรงนี้ทําไมทุกวันนี้หลวงพ่อจึงบอกว่าให้รู้ตัวเองให้รู้เราให้เห็นเราให้รู้เราให้เห็นเราเพราะในคําพูดเนี่ยเช่นคําว่ารู้เรานะไอเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมรู้นะคือธรรมชาติรู้ ขณะที่รู้เรานั่นแหละขณะนั้นแหละคือมันพ้นทุกข์ที่มันพ้นทุกข์เพราะว่ามันแยกระหว่างเรากับรู้ได้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่รู้แล้วไอ้ที่รู้ก็ไม่ใช่เรารู้ก็คือรู้รู้ก็เป็นรู้รู้ไม่เป็นเราเออพอเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจับทางได้ว่านี่แหละมักทางเดินสู่ความพ้นทุกข์ต้องรู้เราหรือว่าเห็นตัวเรา การที่เห็นคนอื่นการที่เราไปรู้เรื่องอื่นๆมากมายไม่มีทางจะพ้นทุกได้เพราะอันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเราเห็นเรารู้แต่ถ้ารู้เราเนี่ยพ้นทุกได้ร้อยเซเพราะว่าเราคือขันห้าส่วนรู้มันเป็นธาตรู้เป็นรู้ตามธรรมชาติเป็นเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตตั้งเดิมแล้วแต่จะตั้งตั้งชื่อมันนะแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่มีแบบไม่ปรากฏ เนี่ยตรงเนี้ยจึงเลยชัดเจนแล้วก็เลยมาบอกพวกเราเนี่ยให้รู้ตัวเข้าไว้รู้ตัวเข้าไว้เห็นตัวเราบ่อยๆทีนี้วิธีฝึกก็ใครจะมาฝึกแบบที่หลวงพ่อยกตัวอย่างก็ได้ไปเพื่อให้เห็นตัวเองนะไปยืนดูอะไรก็ได้ไปฟังเสียงอะไรก็ได้มันง่ายมากเลยถ้ารู้จักสักแว บ, บเดียวเนี่ยต่อไปมันก็เริ่มพัฒนาแล้วก็ทําให้รู้แจ้งเนาะรู้แจ้งรู้จริงต่อตัวเราได้เลยว่า โอมันเห็นตัวเราอยู่อยู่เนืองๆ เ, เลยจะเดินจะนั่งมันก็เห็นอยู่จะมุดใต้เตียงไว น, นก่อนที่หลวงพ่อบอกจะมุดไปใต้เตียงหรือไปทํำมีดีมีร้ายไปไปฆ่านกไปอะไรมันรู้เราหมดแหละนิทานเรื่องฆ่านกก็เคยเล่านะเออหรือจะไปหลบไปซ่อนไปแอบมันรู้เราหมดเลยใอ้ต้องรู้เราแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละแยกให้ออกว่าไอเราเป็นสิ่งถูกรู้ส่วนรู้มันก็เป็นเป็นธรรมชาติรู้แค่เนี้ยก็จะจบได้คิดว่าน่าจะตอบคําถามได้ ได้ตรงประเด็นเนาะนะขอบคุณครับหลวงพ่อครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมก็คือว่าแต่ก่อนสภาวะนี้ที่ที่รู้นี่ครับผมก็เคยสัมผัสแล้วแต่ว่าก็ยังมีความคิดซ้อนไปอีกว่าไอ้ น, นี้ก็ยังเป็นเรารู้ก็เลยก็เลยทิ้งไปเลยครับทิ้งไปสี่ห้าปีจริงๆก็ภาวะนี้ก็เคยเห็นเคยมันมันมันประสบแล้วะครับว่ามันอุปม า, มาเปรียบเทียบเหมือนว่าคนที่ดูโทรทัศน์นะครับพอดูหนังมากๆแล้วก็อินเข้าไปในเรื่องหนัง แต่ลืมดูตัวเองว่าขณะนั้นกําลังนั่งหรือว่ายืนหรือว่านอนดูมันไม่เห็นมันไม่เห็นตัวเองเลยมันเห็นแต่ทีวีมันเห็นแต่ดารามันเห็นแต่พระเอกนางเอกแต่ว่าลืมตัวเองซึ่งตัวเองนี่แบบจริงจริงก็มันมันถูกดูถูกดูมันไม่มีภาวะนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นั้นมันก็มันก็คิดเองว่าเออไอ้อ น, นี้ก็น่าน่าจะเป็นเราเห็นเองอีกแต่มัเหมือนกับมีตาที่สามที่เรามองเห็นเองอีกก็ ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ไม่มั่นใจเลยทิ้งไปเลยครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เหมือนกั น, กนที่หลวงพ่อบอกว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราถูกรู้ถูกดูเนี่ยถูกเห็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นตัวเราอีกไม่ได้แล้วครับตรงนี้เพื่อครูบาอาจารย์พูดทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นไปอีกครับ